แต่มิติที่3คือมิติใกล้กลายใกล้ใจแสิ่งแวดล้อมเราไม่ได้เราไม่ได้ภาพสามมิติก็รุงกรรมาฐานได้ภาพสา ม, มิติใจเรียบร้อยกายเรียบร้อยสิ่งเวดล้อมตัวรอบข้างตัวก็เรียบร้อยเล้เป็นภาพสา ม, มิติกรรมาฐานที่จะทาชื่อของเราให้สมบูรณ์ขึ้นนะ แต่เราได้ภาพมิติได้มิติหนึ่งเนี่ยกรรมาฐานก็ทําหน้าที่ไม่เป็นลัตนตรยัยขอาลัตนตรัยคือหมายถึงกายใจและสิ่งแวดล้อมของกายและใจะถ้าใจเป็นศีลกายก็ต้องมีศีลสิ่งแวดล้อมข้างก็ต้องมีศีละประการกายใจเป็นสมาธิกายก็เป็นสมาธิสิ่งแวดล้อมเสถียรมั่นคงก็เป็นสมาธิไปด้วย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 จิตที่เรียบร้อยกายเรียบร้อยสีวันล้อมข้างเรียบร้อยก็ไปพึ่งได้นะนนในองการฝึกกรรมฐ า, านแต่ต้องช่วยให้เราเป็นที่พึ่งไม่ใช่ว่าพุาทธพระธรรมพระสง์อยู่ที่บ้านอยู่ที่วัดอยู่ที่ไหนไม่รู้ที่กายจากกายจากใจของเรารัตนาไตเฉะนั้นก็พึ่งได้น้อยมากนะแต่ลันทนไตคือความ สะอาดสว่างสงบของกายวาจาใจได้สิ่งแวดล้อมก็จะทำให้ชีวิตของเรามีที่พึ่งควางขวา ง, วางออกไปนะนั่นเองเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยการเลี้ยวเทรนนิ่งการฝึกฝนด้วยการศึกษาทัานโตเศโทมนุษยสสุใ น, ในบรรดามนุษย์ทั้งหลายคนที่ฝึกฝนตนเองเป็นประจำคนนั้นจะเป็นคนประเสริฐ นี่พรพุทธอง์ท่านตัสไว้อย่างนั้นคนไหนที่ไม่ชอบฝึกฝนตนเองคนนั้นก็เป็นประสาทนะจิตี้สองกลุ่ม ด, ด้วยกันเราจะเป็นคนประเสริฐหรือเป็นคนประสาทเราเลือกไดนะ้คนประสาทมาถึงคนไม่มีความเป็นระเบียบทั้งกายวาจาจใจและสีแวดล้อมบางทีจัดตดนแต่งตัวเท้สวยงามจะไปดูที่บ้านดูไม่ได้เลยลกหลงลัลงไปหมดนะ อันนี้มีแต่ความเป็นระเบียบสวยงามทางกายทางใจก็ไม่มีทั้งสี่วดล้อมก็ ม, มีเราก็ได้ชีวิตมิติเดียวนะนั้นเองในลักษณะเส้นนี้มาว่าเราก็ต้องทํากันไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าเราเพิ่งเริ่มต้นก็ยังดีกว่าไม่มีการเริ่มต้นในต่างชาติบางชาติเขาเริ่มต้นมาเป็นร้อยรปีเขาก็ราักฐานวัฒนธรรมลึกมาเป็นพันๆปีเราเอง มันห ล, ลักฐานวัฒนธรรมที่สับสนเป็นผีเป็นพราหมณ์เป็นเจ้าเป็นองค์เป็นเทพเป็นพุทธเป็นพรามปนกันหมดนะมันก็เลยทำให้พัฒนายากค่อยสับสนเพราะนั้นแต่เราก็มีศักยภาพสูงคนไทยมีความหลากหลายเมื่อมีความหลากหลายแล้วถ้ามันเป็นขบวนการอันเดียวกันที่ชัดเจนมันก็จะมีพลังแต่ความหลากหลายที่ไร้พลังมันก็เป็นความสับสนวุ่นวายนะ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 เราก็ต้องมาแก้ไขที่ต้นเหตุของมันนะดังนั้นในเช้าวันนี้จะลําลดับเรื่องของสภาวะนะที่เรา <c oughs> ผู้เก่าจะต้องเริ่มเข้าเก็บอารมณ์วันนี้สักครึ่งหนึ่งพรุ่ง น, นี้ก็เริ่มเต็มรูปแบบแล้ววันต่อไปก็กลุ่มใหม่เริ่มเข้าบ้างตามลําดับของอีสี่แต่ละคน ถ้ า, าได้กล่าวว่าความรู้สึกที่สบายเนี่ยน่ากลัวกว่าความรู้สึกที่ไม่สบายเพราะความรู้สึกสบายทำให้เราประมาท <c oughs> เพอเลินเลินเลอได้ง่ายแต่ทำไมคนึงชอบเสพความรู้สึกสบายเพราะว่าเราไม่รู้จักมั น, นคนทำงานกูจะได้รางวัลเนี่ยที่สั่งสมความลำบากมาเยอะกูจะได้รางวัลสักอย่างหนึง่ง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 ฉันใดก็ดีเนี่ยไอ้ความากระแสของดินน้าลมไฟที่มันสร้างกระแสของความทุกข์ในร่างกายของเราเนี่ยมันก็เหมือนกระแสดินน้าลมไฟข้างนอกกันแหละเราก็ต้องจัดระเบียบเพราะกระแสของดินน้ำลมไฟภายนอกน้าก็ต้องไหลลงแสงสว่างพระอาทิตย์ก็ต้องส่องแสงถ้าดินก็จะต้องหมกหมักตัวอัดควบแน่นในตัวมันเอง ธาตลมก็พัดตลอดเวลาดินน้ําลมไฟทําหน้าที่ของมัน <c oughs> ตามธรรมชาติชั้นใดดินน้ําลมไฟที่รวมมาเป็นในตัวเราก็ต้องทําหน้าที่ออกมาเป็นกระแสเป็นกระแสพลังงานกระแสพลังงานอนี้นถ้าเราปฏิบัติวิปัสสนาก็เหมือนเราจะฝึกฝนตนเองให้เป็นวิศวกรพลังพลังงานนั่นเองเพื่อได้จัดระเบียบกระแสของความทุกข์ในกายของเราเนี่ออกมาเป็นระบบ จัดให้เป็นระบบให้เข้าที่เข้าทางก่อนเรื่องวาศีลจัดกระแสของความทุกข์ให้เป็นระบบเป็นที่เป็นทางเช่นเราจัดระเบียบกระแสน้ําที่มันไหลลงก็โดยการจัดระเบียบด้วยการตั้ง ส, งสร้างสันเขื่อนขึ้นมาพอสร้างสันเขื่อนขึ้นมาได้สําเร็จที่เข้มแข็งสามารถกักเก็บน้ําได้เป็นหมื่นเป็นล้านลูกบาศกเมตร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 มีความเหนียวแน่นของเขือนดือเสริมเหล็กเรียกว่าสัมปชัญญะสติอย่างเดียวมันเนื้อก้อนปูนทั้งก้อนนี่แหละโดยมีสัมปชัญญะคือใส้เส้นเหล็กมากมายสารกันเข้าไปจนกระทั่งเหมือนมันม่นคงสามารถสกัดน้ําไว้อยู่เป็นสมาธิล ะ, ะเพราะฉะนั้นในตัวที่เราต้องสร้างพลังของความรู้เนี่ยเพื่ออาไปจัดระเบียบกาย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 ชันใดพอดีสติสมญาที่เราฝึกเนี่ยความรู้สึกตัวนั้มาจัดเป็นระเบียบเป็นชั้นชั้นแรกให้จัดระเบียบที่กายเรียกว่ากายานุปัสนาแต่ในระบบกายานุปัสนาเองท่งานก็แบ่งเป็นระบบย่อยลงไปเหมือนสัมปชัญญะเป็นไส้ในเข้ามันตั้งแต่ระบบลมหายใจระบบอิริบดสีหรือนั่งนอนระบบอิริบทย่อย กูเหยียดเคลื่อนไหวระบบนะแยกธาตุดินน้ำดมไฟเห็นเป็นสัด ส, ส่วนนะระบบอาการ32ตัวถักสารนะตัวถักสารเหล็กก็นอกจากตั้งเป็นเสาขึ้นแล้วนะี่จะต้องมีตัวถักสารให้แน่นทนะาตสี่มันตัวเสาหลักอาการสามสิสมันตัวถักสารมัดเหล็กให้แน่นสารกันเข้าไปนะแล้วในส่วนที่ ก็คือส่วนไหนที่มันจะทําให้เสื่อมสุดก็ต้องอุดต้องยาต้องทำให้ดีเรียกว่าระบบในส่วนนั้นมันจะต้องมีทั้งส่วนที่จะทําให้เสียหายต้องตรวจสอบเรียกว่าอสุภะทั้ง6ระบบเลยกันทางกายเฉพาะสันเพลอนเวทนามีสนะเวทนามีสามสามก็มาแยกเป็น9 ที่เราส่วดโดยที่มีสุขเวทนาใช้ได้ไหมเขื่อนที่ก่อนแล้วเนี่ยมันคงดีไหมส่วนไหนที่เป็นจะมีความแปลปวนอาจจะซึมอาจจะรั่วตรงไหนเป็นทุกขเวทนาต้องได้รับการอุดการยาและส่วนไหนที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องอุปขมสุขเวทนาในส่วนไหนที่เสี่ยงต่อการที่จะเกิดความเสี่อมสรุดต้องเฝ้าระวังต้องเสริม เป็นระบบของเวทนาระบบของจิตเป็น16บหตั้งแต่จิตมีราคาหนึ่งจิตมีราคะสองจิตไม่มีราค่สาจิตมีโทสะ4จิตไม่มีโทสะ 5. จิตมีโมหะ 6. จิตไม่มีโมหะ 7. จจิตฟุ้งซ่าน 8. จิตหดหู 9. จิตที่ได้อารมณ์ 10. จิตที่ไม่ได้อารมณ์ 11. จิตที่มีจิตอื่นแทรก 12. จิตที่ไม่มีจิตอื่นแทรก 13. จิตที่มั่นคง 14. จิตที่ไม่มั่นคง15จิตพ้นจากปัญหา 16. จิตที่ไม่พ้นจากปัญหาเฉพาะจิตมีถึง16ระบบก็มาติดตั้งเข้ามาเป็นตัวกระแสปล่อยกระแสน้ำถระมั่นคงแล้วก็ปล่อยกระแสน้า ตามท่อแล้วมาทำมานุปัสสนาก็คือกระแสน้ำต้องไปทำหน้าที่ต่างๆแล้วจะเป็นกระแสะความสว่างกระแสของอิเล็กทรอนิกระบบต่างๆเป็นหมื่ น, เ ป, นเป็นแสนระบบนั่นเรื่องธมานุปัสสนาก็จะมีตัวนิวรณ์หตัวอุปทานขันทั้งห้าตัวยตนะหกตัวพุทธชงจิตตัวลีมัพยองแ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 เป็นสองส0มพันปีไม่เคยมีนักวิทยาศาสตร์คนไหนจะคัดค้าทนทฤษฎีได้นะเพราะฉะนั้นเองเราก็จะต้องรับรู้ทั้งสองส่วนคือหลักทฤษฎีวิชาการหรือ ว, ว่าปริยัติและหลักประมัติคือหลักที่จะต้องลงมือทาให้สัมผัสความเป็นจริงนั้นด้วยตนเองมันไม่ใช่เพียงหลักการหรือทฤษฎีแต่ว่ามันจะต้องเป็นจริงด้วยนะอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราต้องรับรู้ ในส่วนต่อมาที่อยากจะเน้นเป็นหลักในเดินเช้าวันนี้ก็คือความคิดเป็นเรื่องที่ปลายเหตุเป็นผลนะความคิดเป็นผลเรื่ในผลมันจะดีจะเสียจะถูกจะผิดจะสุขจะทุกข์จ ะ, จะบุญจะบาปเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่เหตุนะมันขึ้นอยู่ที่เหตุของมันว่าความคิดก็เป็นพลังงาน เป็น p r o Product เป็น production ที่ผลิตออกมาออกมาละ d u c t อันนี้จะใช้ได้ไม่ได้ก็อยู่ที่เหตุของมันว่าออกมาเป็นในส่วนที่สบายก็เป็นผลิตอันหนึง่งออกมาเป็นส่วนที่ไม่สบายก็เป็นผล c t อันนึงเป็นผลผลิตของเหตุท่านได้กล่าวแล้วว่าความคิดต่างๆเนี่ยมันออกมาจากความหลงและความรู้ความคิดใดที่ออกมาจากความหลงก็มีต้นเหตุมาอีกแบบหนึง่ง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 เราก็รับความเชื่อมเสือต่างๆอันเป็นผลมาเป็นผลักที่มาการลําดับที่มาไม่ดีนะแต่ความคิดใดที่ออกมาเจริญดืวยความรู้เราได้รับผลพวงจากมันคือความสุขความสบายความผ่อนคลายความมีเกียรติยศชื่อเสียงความมีความมั่นคงทาด้านทรัพย์สินความมีมั่นคงทาด้านชื่อเสียงและมีความสุขความสบายเป็นที่เคารพนับถือของสังคม ก็มีโปรดักต์มาอีกแห่งหนึงน่งนะั้นเองเราก็มาสืบดูต้นตอของมันเพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านตรัสว่าแต่ไม่ใช่พุทธเจ้าตรัเด็ดตรงและสาวกของท่านกล่าวว่า <S <S เยธรรมาเหตุปวาวะเดสังเหตุงตถาคตโตเดสัญจะโยนิ โ, โรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนซึ่งเป็นคาถาที่รู้จักกันมา เป็นที่กล่ า, าวขานกันว่ามีกำลังเป็นคาถาของพระอาชาชิที่ท่านเป็นอาจารย์ของท่านพระาลิบุตรซึ่งร้มันก็ยาวแต่ซึ่งสั้นๆว่าเมื่อพระาลิบุตรหรือตอนนั้นเป็นอุบายสกชื่อว่าอุปติสัยแสวงหาผู้รู้แสวงหา ก, การณมิตรหลายสำนัก มาหลายปีแต่ไม่ไม่พบผู้รู้ไม่พบกเรียนไม่ที่ถูกใจที่โดนใจนะเพราะสมัยนั้นก็มีนักบวชเยอะเหมือนอย่างทุกวันเนะี่ยมีนักบวชเยอะแต่จะพบนักบวชที่ที่โดนใจสักคนหายากนะะวันหนึ่งท่านนะพบท่านภาชิชิซึ่งไดนะ้รับการประกาศให้ออกมาเผยแพร่พุทธศาสนาแในยุคแรก หท่านคือเป็นเย้าว่าี่ทั้งหรวมถึงพุทธองค์ด้วยก็เป็นหท่านชุดแรกที่เสดทั้งหกท่านท่านก็บอกว่าท่านทั้งหลายพ้นแล้วจากบ่วงอันเป็นของเป็นทิพย์และเป็นของมนุษย์ท่านทั้งหลายจงเที่ยวไปให้สู่บ้านน้อยเมืองใหญ่สู่คามณิคมอย่าเที่ยวไปในทางเดียวกันถึงสองคนให้ออกไปคนละทางอื ยึ่งท่านตัดเป็นเรือกเป็นหลักการเบื้องต้นนะนะเจริถาภิกขเวจาทีกังพหุชนะสุขายะปุชนะหิตายะโลกาโน ก, กัมปายะเทวะมนุษยานังอันนี้เป็นหลักการเบื้องต้นที่สุทธ่พระองค์ตัดเอาไว้ตอนที่สั่งสาวกออกไปเผยแพ ร, ร, ร, ร, ร่ที่นี่ท่านพระอาจารย์ชีน้นออกไปทางเมืองราชคื อ, อไม่ใช่เมือง สวัสดีหมู่บ้านนารันทคามนะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่พระอรหสาวกที่สมัยนั้นเป็นเครือหัดยชื่อว่าอุปติสักโลกโกริตะอุปติสต่ออมาคือพระสารีบุตรโกลิตะต่อมาคือพระมหาโมคคลานะนั่นเองเมื่อท่านอุปติสมุขกับท่านโกลิตะแสวงหา การะยะนมิตรและครูอ า, าจารย์มานานแต่ไม่พบแต่เลยในที่สุดก็สัญญากันว่าเราไปหาคุรทางกันแล้วกันถ้าหากใครพบก่อนก็บาบอกไปหาคุรทางในที่สุดวันหนึ่งที่ท่านอุปติสสะเดินอยู่ในหมู่บ้านก็เหลือไปเห็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนารูปหนึ่งเนี่ยก็ เ, เป็นนักบวชเนี่ยแหละยังไม่มีสั ญ, ญลักษณ์ว่าเป็น พุท ห, หรือเป็นพาะเป็นนักบวชอาศัยใส่ชุดไหนก็ได้เรายัางไม่มีหลักฐานปรากฏชัดก็เห็นท่านเดินสงบสํารวมซึ่งต่างกับนักบวชทั่วไปเดินที่ไม่สํารวมนะเดินสํารวมสงบโดยนี้นไม่ได้ดูว่าใครจะใส่บาตรหรือไม่ใส่าบาตรมุ่งเหมือนเดินจงกลมในที่สุดท่านก็ไปกระทบความรู้สึกของท่านเออสมณะรุ่นี้เดินแปลกกว่าคนอื่นก็ติดตามไป ติดตามไปถ้าน ข, ขั้นจะเข้าไปถามความสงสัยหลักการอะไรต่างๆในขณะนั้ น, น, นก็ดูเหมือนว่าไม่เหมาะาเป็นหลักการของอุบาสกที่ดี mm hmm. ก็เลยตามไปห่างๆกล่าวว่าเมื่อท่านเดินจาริกบิธบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเข้าไปสุทธนาพูดคุยด้วยก็ตามตามไปจนกระทั่งท่านทำภารกิจเสร็จ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 ถานุปริษาสที่ฉลาดในเรื่องนี้ก็บอกว่าไม่จำเป็นว่าคุณเจ้าเอาแต่สาระสำคัญสั้นๆได้ใจความก็พอแล้วอืมก็บอกว่าครูบาอาจารย์ของเราคือสมณะสักยะบุตร อ, อยู่ที่อนุปยะอัปภวันตอนนี้แล้วก็ท่านก็สอนเราเสมอว่า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 อาจารย์ของอาจารย์อของท่านคือพระเจชิหมายถึงพระพุทธเจ้าสกนตสมณสั ก, ส ก, กยกบุตรเนี่ยก็นึกถึงเพื่อนว่าเราสัญญากันว่าถ้าเราได้พบครัวอาจารย์ที่ถูกใจแล้วต้องมาบอกกันเลยไปตามหาเพื่อนก่อนเพื่อนไม่รู้ว่าอยู่หมู่บ้านไหนอยู่เมืองไหนตามไปจนเจอเพื่อนแล้วก็บอกข่าวเรื่องนี้เพื่อนก็สนใจก็ติดตามไปด้วยกัน ไปด้วยกันก็พระงค์ก็สอนทั้งสองท่านเนี่ยเป็นชุดแรกนะถัดจากมรรจวกขี่ทั้งห้าเมือ่อให้ อ, อุรมไปเจเจวันให้อุลมวันแรกก่อนให้ อ, อุรมวันแรกเข้าใจแล้วในชุดแรกเนี่ย ท่นมคลานบอกว่าสิ่งที่ท่านกล่าวมาทั้งหมดเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งสุขุมค้ำพิรภาพเพราะนั้นไม่สามารถที่จะทำแบบธรรมดาได้แต่ขอปลีกวิเวกสักเจ็ดวันลองไปทำดูจะมันจะเป็นอย่างที่ท่านว่าไหมก็ไปนั่งทำสมัยนั้นคงจะใช้อนาปานสติ <S <S คือนั่งอย่างไรก็หลับ <S <S นั่งอย่างไรก็หลับห ล, ลับเป็นวันที่หนั่งอยู่ในโบไหนก็ ดูลมหายใจไปเดียวก็หลับสมัยนี้เราเรียกว่าเข้าฌานแต่สมัยนั้นเรียกว่าหลับความจริงคือนั่งหลับนี่นแหละแต่ว่าเรียกให้มันโก้หน่อยว่าเข้าฌานหลับจนสบายเราเถึงเข้าฌานที่สี่ว่างั้นนั่นคือเข้าไปเข้ามาจนอ่อนปวกเปียกหมดจิตวันจิตคนที่นั่งเข้าฌานหลับนานๆนี่ก็จิตที่จะอ่อนหมดพลังพวกนี้ก็จะหลบนะพวกหลับนี้จะชอบหลบอารมณ์จะไม่ชอบสู้อารมณ์ อะไรวุ่นวายไม่สบายฉันหลบก่อนนะไม่เผชิญนะรู้สึกที่ครุนี้วุ่นวายฉันหลบก็ห้องไปนั่งดีกว่าสบายเข่าชานต้อยเอามาเห็นหลายคนจนหมดสภาพอะสติสมย่าหมดเลยนะเหลือแต่ความกระเปืะกกระปะอะไรก็ไม่รู้นะแต่เขาก็เรียบร้อยเป็นคนดีนะแบกจิตอ่อนเพราะนั้นเองเมื่อไปนั่งถึงวันที่6พระที่เจ้าก็เลยเดินมาแอบดู แต่จะเพื่อจะกล่าวเป็นภาษาที่น่าเลื่อมใสหน่อยว่าผู้ทีเจ้าทรงเล่งยานด่าภาษาพราหม์เมื่อสา ว, วกแยกไปแล้วเป็นวันที่7็ท่านก็เล่งยานดูว่าใครไปตรงไหนแต่ความจริงก็เดินไปจงกรมไปดูขนั้นเองจะไปว่ากันตรงตร ง, ตรงไปเป็นอะไรไปใช่ไหมอันนี้เราไปยกย่องศาสนาจนเลอะเลิ อ, อจนโอโหยกเป็นพระเจ้าไปเลยก็ไปเดินจงกรมอยู่ห่าง เขาไปเห็นนั่งสปปะโพกแล้วสปปะโพกอีกมาท่านก็คงจะไปดูของท่านทุกวันนั่นแหละแต่ว่าเอาสู้ให้ถึงที่สูดก่อนเมื่อถึงที่สูดมันไม่ไหวได้ในะวันที่เจ็ท่านก็บอกเข้าไปขณะนั่งหลับนะท่านก็กไปสะกิดนะโมคะลานะเชิญทําลุกขึ้นนะอย่าไปนั่งอยู่กับที่เวลามันง่วงอ่ะลุกขึ้นไปปลุกระบบประสาทให้ตื่นขึ้นลืมตากว้าง เอาอะไรมาปั่นหูเล่นให้ปุกษาดขึ้นมองไกลๆดูใบ ไ, ไม้ใบหญ้านาั่นก็ทํทาทำแล้วก็กลับไปนั่งก็ง่วงอีกท่านก็ไปสกีดใหม่ลุกขึ้นเดินจงกรมเดินสักพักหนึ่งกลับไปนั่งก็ลับอีกอ า, อาวันวางไปไปล้างหน้าไปล้างหน้ากลับมาสักพักก็หลับอีก แก้อยู่ทั้ง10บประการประการที่10บเนี่ยคือบอกถ้าอย่งั้นไปนอนเลยประการสุดท้ายแต่มีข้อแม้ว่าต้องนอนตะแคงขวานะนอนแบบสีหษะส่ายต้องนอนตะแคงขวาแต่ถ้าหากว่ามันรู้สึกมันรู้สิกตื่นขึ้นแล้วก็ตื่นเลยนะอย่าไปนอนต่อนะท่านก็บอกเราก็เดินจากไป บอกถึงสิบครั้งบอกถึงสิบอย่างนละ้มันรู้ไม่รู้ไม่รู้ก็ปล่อยละทีนี้หมดหมดหมดวิชาแล้วเงินเถอะพร mm hmm. ะโมโคคัลลานะก็นอนเอาเท้าซ้อนก็จามที่ท่านบอกเอามือขวาหาศีรษะวางบนมือขวาแล้วก็ตั้งสติดูสักพักหนึ่งแล้วเป็นไงก็ระบนะ พอเพลอหลับที่นี้แน้วหน้าสับปกลงที่ดินนะข้างหน้าคงจะเป็นหินเป็นอะไรไม่รู้นะตื่นพระงขึ้นมาแล้วไม่รู้หน้าท่านแตกนําประวัติไม่ได้บอกนะตื่นพระง ข, ขึ้นมานะวิชงวิอาวิชาทั้งหลายที่เข้มามามาเจ็ดวันแล้วเบิดเลยนะปึ้งขึ้นมาสว่างวับเหมือนกับฟ้าแลบไปทั้งดูทั้งท้อ ง, งทั่วฟ้าเลยบ้านเราก็เลยหูตาลายวุ่นวายตาตาสว่างเลยว่างั้นเถอะตาเกิดดาวกระจายเลยวะนะ สว่างวาวขึ้นมาเออเหมือนกับตืน่นขึ้นมาอย่างเต็มที่เลยนะแล้วท่นบอกอวิชชาที่สั่งสมมาหลายภพหลายชาติมันถึงการระเบิดมันอัดเต็มที่แล้วอะพอกระทบปั๊บมันมันแตกระเบิดบรรลุทําในวันนั้นเลยนะบรรลุทําในวันนั้นเป็นที่เล่าขานกันต่อมาว่าพระพุทธเจ้าเอาเรื่องนี้เป็นเล่าเป็นตัวอย่างกับพระ นเวลาแก่ง่วงกับพระนีย่ยกพระสารีบุตรเป็นตัวอย่างก็มีพระบางองค์สงสัยว่าเอ๊ะทำไมท่าน ง, ง่วงขนาดใหญ่โตมโหฬารขนาดนั้นก็จะไม่ง่วงได้ไงเพราะนั่งสมาธิมาทั้งหลายภบหลายชาติพระนเป็นถึงมหาฤาษีสมัยชาติเดก่อ น, อ น, นชาติเดิมก่อนบรรพบุพรุษเป็นมหาฤาษีสิพทอดกัมาทั้งหลายชั่วดุลุ์เพราะนั้นไอ้ตัวที่นั่งสมาธิที่มันเป็นมิจฉาสมาธิเนี่ยมันก็กดทับกดทับกดทับกดทับกดทับ จิตมันจะคิดไม่ให้มันคิดอ่ะกดเอาไว้ด้วยพลังสมาธิลักษณะนี้เขาเรียกดบเพ็นตบะสะกดจิตนะแต่เมื่อมันถูกสะกดเอาไว้เหมือนจิตได้สำนึกอ่ะมันถูกกดเอาไว้เวลาจะมานั่งสมาธิไอ้สิ่งพลังความสงบความสะกดมหาศาลก็ออกมาครอบงำจากตัวที่เป็นจิตตื่นรู้ที่เป็น m y conscious ออกมาเป็นตัว สับคนเชื่อมเนี่ยมันก็ครอบงํำความหมายคอนเชื่อมหมายคนเชื่อที่ตื่นตื่นรู้สับคนเชื่อในตินตื่นไร้จิตไรสํานึกจิตใต้สํานึกที่มันไม่ตื่นที่มันจะเผย อ, ออกมาเป็นความคิดทุกครั้งที่เราเผยตัวเนี้ยด้วยสับคอนเชื่อคือจิตไรสํานึกก็จะออกมาทําหน้าที่พอจิตรู้สํานึกปับ๊บมันก็ไปมีกําลังไปบงังไปบังตัวจิตไร้สํานึก ทุกครั้งเนี่ยที่เราเผลอคิดก็หมายถึงตัวนั้นแหละที่เรากดมันไว้แหละเพราะนั้นคนที่นั่งสมาธิมากๆเวลาเผลอคิดก็เผลอคิดได้ง่ายเพราะอะไรมันกดแล้วมันก็ยิ่งกดมันก็ยิ่งดันยิ่งกดมันก็ยิ่งดันเพราะนั่นการนั่งสมาธิสะกดจิต ท, ทุกครั้งเนี่ยก็คือการกดการทํางานของกระแสเกิดกระแสดักนั่นเองเพราะกระแสเกิดเราทาหน้าที่มัออกมาเป็นพลังงานนะทางความคิดทางพลังงานทางกายทางจิตทีนี้ก็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 คือกล่องดำเนี่ยเพราะอะไรมันได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดของการบินไว้ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนคนสร้างเขาก็ผลิตตัวนี้ขึ้นมาชีวิตของเราก็จะมีตัวซับคอนเชียสเป็นแบล็คบ็อกซ์เป็นกล่องดำเป็นหลุมดำของชีวิตคือซับคอนเชียสถ้าเป็นจักรวาลเราว่าหลุมดำแต่เป็นชีวิ ต, ตเรียกว่าซับคอนเชียสคือจิตใต้สานึกจิตไร้สานึก ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เพิ่งมาค้นพบเรื่องนี้ในสมัยซิกมุนฟลอยนี่เองใช่ไหมที่ใส่โคดูชินข้อนั้นซิกมุนฟลอยมาเพิ่งมาค้นพบจิตได้สานึกและเข้าใจว่าซิกมุนฟลอยนี่เป็นพระโสดบันนะถึงได้คนพบเรื่องนี้มาอ่านหนังสือแก่วโอคนนี้เป็นพระโสดบันเขาพูดถึงเรื่องจิตทั้งนั้นเลยก็เมื่อท่านพระภิกษุทั้งหลายได้สืบทรามเรื่องนี้ปั๊บ ผู้ทีเจ้าก็บอกว่าท่านได้สั่งสมเรื่องนี้มาหลายภพหลายชาติแต่นั้นเมื่อท่านบรรลุธรรมแล้วสิ่งที่กําลังของท่านที่มันเป็นตีแต่ซื้อมันเก็ดไปจิตรู้สมมติเป็นพลังทั้งหมดเลยท่านจึงมีฤทธิ์มากเนี่ยตัวสมาธิเป็นวิสาสี่พอได้เจอสมาธิทิฏฐิแล้วมันเปลี่ยนเป็นฤทธิ์สมาธิมากๆเนี่ยเป็นเป็นฤทธิ์เพราะฉะนั้นพระสารีบุตรก็เป็นผู้เลิศในทางฤทธิ์ก็เป็นเขาเรียกเป็นคนทํางาน ในฝ่ายซ้ายของผู้ทีเจ้าคือหมายถึงว่าไปสมัยนั้นมีเจ้าหน้าที่ที่มีฤีดมีเดชมากนะเพราะว่าการฝึกฝนแบบพราหมณ์แบบฮินดูเนี่ยเขาต้องการให้มีฤีดเดชมากกว่า<ๆ>กําลังปัญญานะฉะนั้นเองก็เจ้าหน้าที่ไหนที่แข็งขืนไม่ลงด้วยเมื่อฟังแล้วก็มีการต่อสู้มีการขัดแย้งอะไรที่รุนแรงเนี่ยผู้ทีเจ้าก็ให้พระสารีบุตรทาหน้าที่ตรงนี้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 ทีนี้สําหรับพระสารีบุตรเจวันแล้วยังฟุ้งซ่านอยู่เลยนะพเพราะคนคนฉลาดมากเปรียบเพียบพผู้ได้ย่าจัดอะไรท่านก็แยง่งแย่งแยงแยงย ง, ยงหมดเอามาคิดแล้วก็แยง้งมาคิดก็แยง้งมาเห็นด้วยเพราะท่านเป็นคนฉลาดฟังมามากผ่านมาหลายเจ้าแลัที่หลายอาจารย์ในที่สุดเป็นวันที่สิจากการบวชลุงของท่านชื่อว่าทีคานาคะนามส ก, กุลว่าอ ค, คิเวชนโคตนี ทีคานาคาคิเวสนาโคดซึ่งเป็นลุงของวระสิลิบุตรวาตามบุติลุงก็หลานคนนี้เขาจะพบปะสนทนาธรรมกันเสมอเพราะลุงทีคานขะเนี่ยเป็นเจ้ารัติอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะก็ตามหาหลานเอ๊ะมันหายไปไหนทั้ง10กว่าวันทั้งบุตรีได้เจอสนทนาธรรมกันทุกวันมันไปบ้านไหนเมืองไหนตามหาซืบไปสืบมาบอกว่าหลานคืออุปติสสะเนี่ยไปบวชอยู่กับพระสมณะโคดม สำนักขุดออมา ก, ก็ตามไปที่อนุปยะอัมพวันเสร็จแล้วก็ไปถามในช่วงนั้นไปช่วงอาจจะเป็นช่วงต้นฤดูร้อนเห็นพระสาราีบุตรอธวายการอุปถัมภุติเจ้าอยู่ก็เข้าไปถามไปถามพุทธเจ้าถามสมณะสักยบุตรว่าท่านสอนอย่างไรตามปติโอเราผุม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 เอาท่านแน่ใจอะผมมั่นใจมากอถ้าสมมุติถ้าท่านมีศัตรูคนหนึ่งถ้าศัตรูของท่านตามลา่าฆ่าท่านเนี่ยถ้าได้ฆ่าท่านเนี่ยถูกใจเขามากเลยคุณว่าศัตรูของคุณเนี่ยทำถูกต้องไหมเออไม่มีใครถามย้อนแบบนี้เลยน ะ, ะถ้าท่านเขาได้ฆ่าคุณเนี่ยเขาจูส้สุกพอยิ่สุกมากเขาว่าคุณคิดว่าเขาทําถูกต้องไหมฉันไม่ตอบแล้วทีนี้กลัวเสียเหลี่ยมเนาะ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 ในงั้นคนที่เขามีอํานาจพลังอํานาจเหนือกว่าเขาเป็นความถูกต้องของเขาหมดเลไอ้คนที่ไม่มีพลังอํานาจมันจะมีเหตุผลดีขนาดไหนก็เป็นคนผิดหมดสิอย่างเราทุกวันเลยใช่ไหมใครถืออาวุธมีอํานาจคนนั้นก็ถูกต้องประชาชนจะถูกต้องขนาดไหนก็ผิดหมดนะต้องทําตามคนมีอํานาจอันนี้ละทีนี้ก็ยังสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนะไม่ใช่ธรรมดานะละทีของทีคณะน่ะเนี่ยทุกวันนี้เรายอมรับทฤษฎีของผู้เที่ยวได้น้อยมากผู้มีอํานาจยังหลายก็ใช้ทฤษฎีของใคร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 อาชัวมีอาวุธมีทรัพย์สินมีพลังทรัพย์สินเท่าไรมันโกงมันกินมาเนี่ยเป็นครอบงำครอคนดีไปหมดแล้วโลกมันจะอยู่ได้ไงเพราะนั้นทฤษฎีของคุณผิดโดยชิ้นเชิงแล้วฉันก็ไม่แน่ใจว่าทฤษฎีของคุณมันจะยืดยาวไปสักอีกกี่พันปีปัจจุบันนี้ยังอยู่ใช่ไหมมันทําให้ประเทศชาติในโลกนี้ได้พัฒนามหาศาลก็พิธีของทฤษฎีของทีคานาคาอคิเวชนาโคดนั่นเองในที่สุดเขาก็ย้อนถางพุ้ที่จะว่าเราท่านสอนยังไง อ๋อเราสอนถึงเรื่องว่าเวทนาทั้งสความถูกใจคือสุขเวทนาใช่ไหมใช่ความไม่ถูกใจคือทุกขเวทนาใช่ไหมใช่ความที่ไม่แน่ใจเนี่ยเป็นอุทุกขมสุขเวทนาใช่ไหมใช่พรุทธเจ้าก็ลำดับไปเรื่อยเรื่อยอย่างที่เราสวดใช่ไหมสุขังเวทนางเวทียะมโนสุขังเวทนางวิทียามิติปัฏฐานาติเมื่อมีความรู้สึกสบายก็ให้รู้มันชัดชัด ว่าอันนี้คือความรู้สึกสบายนะนความรู้สึกสบายนี่ไม่ใช่เรานะมันคือความรู้สึกชนิดหนึ่งทุขังเวทะนังเวทิยะมโนทุขังเวทนังเวทิยามิาติปัญชานติเมื่อความรู้สึกไม่สบายเกิดขึ้นให้รู้มันชัดๆนี่คือความรู้สึกไม่สบายนะความรู้สึกไม่สบายนี่ไม่ใช่เรานะมันคือความรู้สึกชนิดหนึ่งเป็นปฏิทิยาของการเกิดดับความรู้สึกสบายเป็นภาวะของเหตุใกล้ของการดับ ความรู้สึกไม่สบายเป็นเหตุใกล้ๆของการเกิดเมื่อการเกิดดับทํางานอยู่โดยธรรมชาติก็ต้องมีความรู้สึกสองประเภทนี้ขึ้นและมีความรู้สึกบางอย่างที่คุณตามรู้มันไม่ทันเรียกว่าอทุกข์ขมสุขเวทนาเป็นเวทนาที่ไม่แน่ชัดว่ามันเป็นอะไรนะพระพุทธเจ้าเคยแจ้งเรื่องนี้ไปเพราะฉะนั้นในเวทนานั้นมีทั้งเ้าใช่ไหมสุขธรรมดาสุขที่มีเยื่อสุขที่ไม่มีเยื่อสามเลใช่ไหม ทุกธรรมดาทุกที่มีเหยื่อทุกที่ไม่มีเบียื่อหกเลยใช่ไหมความไม่แน่ใจที่ธรรมดาความไม่แน่ใจที่มีเหยื่อความไม่แน่ใจที่ไม่มีเหยื่อใช่ไหมคุณทวีชัยนั่งฟังหลวงพ่อในหลับเป็นพันโมฆคลานะเลยนะเดี๋ยวต้องได้หน้าสําพื้นได้เบึ้งแน่ตอ น, น, นเพราะคุณทวีชัยทําหนอมานานไม่สามารถที่จะตื่นรู้ได้นั่งที่ไหนหลับที่นั่นที่มาสังเกตขอโทษนะคุณเวีชยจริงไหมจริงเพราะฉะนั้นจิตคุณจะอ่อนไปเรื่อยๆถ้าคุณไม่ฝึกแบบเคลื่อนไหวนี่นะ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 พระคุณเลิกถ้าคุณไม่เลิกคุณทําต่อไปก็ได้แต่ว่าคุณไม่มีโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลได้เลยอามาก็ไม่ทําตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพออมาก็ทําหนอมาก่อนนะคนทำหน่อมาก่อนเพอยู่กันเพราะเมพออ่อกอ็แอบทำอมาก็แอบทําหนออยู่เหมือนกันแอบทํำพอหลับเรามราก็ตามลมหายใจใช่ไหมตามครับทีนี้วันนั้นไม่รู้ว่าเขตามลมหายใจมันวิดเข้าไปเลยนะตัวแข็งเลยตัวแข็งคือเป็นชั่วโมง ที่นี่มันมันถึงช่วงหนึ่งมันกระตุกลมหายใจแรงมากมเมล็ดดิ้นได้เลยนี่ออกมาจากตัวแข็งได้มาตื่นเต้นมากเลยว่าอะไรเกิดขึ้นเอ๊ะแบบนี้หรือเป่าที่เขาเรียกเข้าฌานแบบนี้หรือเปล่าที่เข้าสมาบัติเอาทําอีกเป็นอีกยืนก็ทําได้นั่งก็ทําได้นอนก็ยิ่งทําง่ายคืนนั่งทั้งคืนก็ทําเรื่องเนี้ยไม่ต้องเป็นอันรับอนนอนเรียนตื่นเช้าตื่นใดเช้าไปพบหลวงพ่อเทียนด้วยความดีใจที่ไหนได้หลวงพ่อเทียนอย่าทําต่อ ตั้งแต่นั้นมาหยุดไม่ทําเลยนะนี่ถ้าเราไม่เชื่อกูบาอาจารย์เราก็เสียคนหน่อยใช่ไหม อ, อ, อันนี้คือคนทนํานองมากมากก็เชื่อยากเชื่อคูบาอาจารย์ยากเพราะทํามาจนติดแล้วเนี่ยมันมไม่เกิดปั ญ, ญญาที่จะเชื่อได้ในที่สุดก็ต้องยอมเสียเพราะในประเทศไทยเราก็เป็นเปี้ยเป็นง่อยเรื่องกรรมฐานทํากันทั้งนี้ก็การพัฒนาก็อย่างนี้ไปไม่รอดเพราะมีแต่คนกลัวบาปกลัวกรรมกลัวกลัวไปหมดกลัวไปตนกนรกไม่รู้จักบาปจริงคืออะไรนระกจริงคืออะไรไม่รู้จัก รู้จักบาปกรรมนรกที่เขาจินตนาการเอาไว้นรกกลัวนรกแบบนั้นแหละไอ้แต่นรกที่ความไม่สบายกายไม่สบายใจไม่รู้จักอันนี้ก็คือการที่เราหลายอย่างนะเพราะฉะนัะ้น พ, พวกฟ้าซีทั้งหลายก็เห็นว่าการฝึอกกรรมฐานคือยาเสพติดนะมันไม่มันก็ไม่สนับสนุนให้คนมาฝึกเป็นยาเสพติดมันก็ใกล้เคียงของมันทํนาให้คนติดสงบติดสบายนะแล้จิตอ่อนเพราะจินอ่อนก็ปัญญาก็อ่อนไปด้วยไง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 ที่ข้านักอักเวศนกตซึ่งเป็นลุงของพระสารีบุตรพระสารีบุตรทํางานอยู่ข้างหลังทํางานพัดใช่ไหมสนทนานไปปรากฏว่าพอจบธรรมเทศนาคนข้างหน้าได้ดวงตาเห็นธรรมยอมรับที่ศีลของพระพุทธเจ้าคนข้างหลังเป็นอะไรบรรลุเป็นพระรหันธ์นะฮะเพราะฉะนั้นท่านไม่ได้มานั่งยกมือนั่งหลับตาแบบเราเนี่แต่บรรลุพระรหันธนะ์ท่านทั้งฟังธรรมนะแต่ว่าฟังแล้วมันดุ่มดำลึกเข้าไปลึกเข้าไปได้พุ่งขึ้นมาเลยหายสงสัยทั้งหมดเลย 15้าวันแต่ว่ามุคลาณะแค่7วันใช่ไหมเพราะเรื่องเรื่องง่วงนั่นแหละเสียดายคุณทวีชัยหน้าไม่ถึงพื้นเมื่อกี้นะถ้าสงบถึงพื้นได้เป็นมุคลาณะสองอคนหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นในเวทนาถึง9าเนี่ยพอต่อไปเวทนามันพัฒนามาเป็นมานะทั้ง9มาเป็นตัวกิเลสตัวใหญ่เลยถ้าเราติดสุขเวทนา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 รู้สำคัญตัวว่าเก่งของเขาทุกขเวทนาสําคัญว่าแย่ของเขาอาทุกขมัจุกขเวทนาสําคัญว่าเสมอเขาสามตัวเนี่ยเราก็จะมีกิเลสสามตัวเราไปไหนแล้วก็คือการเปรียบเทียบถ้าเราไปอยู่ในฐานะที่ด้อยกว่าเราก็ยอมรับว่าเราแย่มากก็ดูถูกตัวเองใช่ไหมก็เป็นกิเลสไปเจอคนที่เก่งไปเจอที่เก่งเสมอเราเราก็เออพอๆกั น, นเราก็ไม่ยอมรับอ่ะมันก็มึงกับกูก็รู้เท่ากันนหะ แอ้ธรรมนองนี่นะขอโทษใช้วาษาศาสตร์หนี่แต่ไปเจอคนที่คนอื่นด้อยกว่าเราก็นึกดูดูหยาดหยาบของเขถ้าไปเจอที่คนเก่งกว่าเราก็ดูถูกตัวเองลักษณะอย่างเงี้ยมันก็เป็นมารณ์ทั้ง9้ามาจากเวทนาทั้ง9้านั่นเองอมารณ์ทั้งหมดมาจากเวทนาทั้ง9ดังนั้นองค์ก็ลงลึกในรายละเอียดเหล่านี้ว่าเราจะจัดการเวทนาแล้วมาถึงบอกว่าเวทนาในแง่ของภาคประดวดก็คือรูปกับนามนะ รูปกับน้ำทาไมจะกล่ว่ารูปับน้ำเพราะมีความรู้สึกสองประการความรู้สึกทางกายมันออกมาในรูปของความเย็นร้อนอ่อนแข็งแข็งตึงเจ็บปวดใช่ไหมหนักเบาความรู้สึกทางจิตมันออกมาในรูปของความพอใจไม่พอใจแล้วก็ไม่แน่ใจคืออย่างสงสัยมีความรู้สึกในส่วนที่ความารู้สึกตัวในส่วนที่เป็นรูปคือเย็นร้อนอ่อนแข็งเค็งตึงเนี่ยเป็นรูป แล้วก็มาดูอาการของจิตว่ามีความพอใจหรือไม่พอใจหรือมีความรู้สึกเฉยเฉยว่างว่างสบายสบายและยิ่ขอ ง, ของขอ ง, ข, องของของสองความรู้สึกนี้ถ้าไปดูทางกายแล้วว่าเห็นรูปเราไปดูทางจิตแล้วว่าเห็นนามเพราะฉนั้นการมาดูทางกายทางจิตในเวลาเดียวกันสํารวจไปสํารวจมาถ้าหากว่าทางจิตของเราไม่มีอารมณ์พอใจไม่พอใจมันก็เป็นความรู้สึกเฉยเฉยก็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 เมื่อมีเวทนากลางให้เราดูแล้วก็ดูเวทนาที่ละเอียดเวทนาที่ละเอียดนี่เองมันก็ดูยากใช่ไหมสำหรับคนมีปัญญาให้ดูได้เห็นนะคนที่มีปัญญาน้อยหน่อยก็ดูแต่เวทนาหยาบหยาคนมีปัญญาปานกลางก็ดูเวทนาปานกลางตามระดับสติปัญญาแต่คนไหนดูทะลุได้ถึงสมระดับนี่ว่าสติปัญญาดีมากนะก็จะรู้ได้ไวเพราะฉะนั้นทุกอย่ยว่าเรานอนเดีย๋ยวว่าเราอยู่นิ่งๆแม้แต่เรานอนมันเรมีเวทนาใช่ไหม ตอที่นอนเวทนาอะไรเมื่ี้นอนห้านาทีเวทนาอะไรเวทนาหยาบหรือกลางหรือละเอียดอ้าเอาเลยสิเป็นข้อสอบใหม่ละ <c oughs> ขณะที่เรานอนเมื่อกี้หลังจากแอคเซสไซส์แล้วใช่ไหมเรานอนห้านาทีเนี่ยเป็นเวทนาอะไรพอจะนึกออกไหมเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สุขก็เวทนาแล้วก็เวทนาละเอียดอ้าทุกข์ก็เวทนาที่เราทนได้เป็นเวทนาเด็กเป็นกลาง ทุกเวทนาที่ทนไม่ได้เป็นเวทนาที่หยาบเวทนามีสามหยาบหนึ่งเวทนาหยาบเป็นเวทนาละเอียทนไม่ได้ต้องเปลี่ยนละ2เวทนาที่เราพอหนิ่งๆทนได้อยู่เป็นเวทนากลางสามเวทนาที่เราผ่อนคลายปล่อยตัวเตียงที่ให้สบายเป็นเวทนาละเอียดเวทนาทั้งสานี้ก็มาจากสุขทุกขและอทุกขมยสุขนั่นเองแต่เรามาแยกเป็นภาษาของเราหยาบกลางละเอียดเท่านั้นเองนะ ดังนั้นเราก็ตามดูรูปนามพือตามดูเวทนาทั้งสานี้ให้ชัดเจนแต่ละเวลาเพราะฉนั้นหลักการของโลโรลวงพ่อเทียนมาถึงมั่นใจได้ว่ามันไวเพราะอะไรเพราะเป็นเน้นให้ดูตัวรู้สึกตัวก็คือดูเวทนาแต่ได้รู้สึกตัวเฉยๆแต่ไม่ละเอียดไม่แยกใครในเรื่องเวทนาความรู้สึกตัวก็ได้แค่ชั้นเดียวใช่ไหมชั้นอยากชั้นกลางเราก็ไม่ได้ชั้นละเอียดเราก็ไม่ได้เอามาก็มาคอยเน้นให้มันละเอียดขึ้นอ อันนั้นเองบางทีสองสามวันคนก็เริ่มได้อารมณ์แล้วเพราะคนที่ดูเวทนาเป็นคนที่ดูเวทนาไม่เป็นไม่เชื่อไม่ลิมรับเจวันก็ไม่ได้เลยแล้วก็มีนะยังติดอารมณ์อยู่เลยไม่พอใจที่หลวงพ่อพูดอย่างไม่พอใจที่หลวงพ่อทำอย่างนี้ไม่พอใจที่หลวงพ่อพาทำอย่างนี้ไปทางโน้นไปคนละเรื่องเลยนะมันเคยดับได้บาปไป <c oughs> มากรรมฐานที่จะได้บุญนะมันก็ได้บาปไปเพราะเอาไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นแนะนำให้ให้ดูไม่ต้องเชื่อแอ่มาแต่เชื่อความรู้สึกของตัวเองอะ แต่หลวงพ่อหรืออาตมาน่ยไก้ให้ดูชี้ให้ดูเออมันเป็นอย่างงี้นะหลักมันนะนะนั่นเองเมื่อปฏิบัติอย่างนี้แล้วนี่พระสารีบุตรก็เข้าใจเพราะเข้าใจแล้วท่านก็เลยออกไปปฏิบัติด้วยตัวเองสบายแล้วทีนี้ไปทําความเพียรดอกย่ำนะเอ๊ะทำไมบรรลุทําแล้วทํำไมต้องทําความเพียรอีกอท่านุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เลยทั้งๆั้งยังเดินจงกรมอยู่ทุกวันใช่ไหมเพราะว่าเป็นการ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 เพราะเศริฐปัญญาแจ่มใสแล้ก็มองเห็นได้เร็วรูปโปร่งเข้าใจอะไรได้ง่ายใช่ไหมแต่คนไหนที่มีเวทนาก้าแข็งอยู่สุขภาพไม่ดีเนี่ยวิทยาก้าแข็งมันก็ไปบดบังจิตการรู้เห็นตามความเปจริงมันก็พราดมัวเหมือนเราดูน้ําที่มันไม่ใส่ใช่ไหมจะดูปลาดูอะไรใต้ไม่เห็นเลยน้ํามันขุ่นแต่น้ํำน้่นมันใสถุงใสเขาเห็นได้ทุกอย่างข้างใ น, นจิตของเรามันใสสะแล้วมันเห็นอะไรที่ลึกลงไปที่เรา ย, ย้อนเห็นอดีตนะครับก็เห็นที่จิตของเราเนี่เอง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 ต บ, บะสมร t ใช้สมร tha หใช้ตา บ, บะเพราะฉะนั้นผู้ทีเจ้าหรือผู้เรียนบอกว่าการเบียดเบียนตัวเองจะโดยตรงโดยอ้อมก็ตามอันนั้นถือว่าเป็นการทําร้ายตัวเองเป็นการทําบาปแต่กรรมฐ า, านที่เป็นวิปัสนาต้องในโพธิราชกุมารสูตรมีอยู่5ข้อใช่ไหมหนึ่มีสถานในเรื่องที่จะดับทุกข์นั้นไม่สนใจในเรื่องดับทุกข์แก้ทุกข์อย่างเดียวสองมีความเพียรที่เหมาะ เจาะหมาะสม3ให้มีเวทนาเบาบางสให้เป็นคนตรงไปตรงมาอย่าคิดอย่าปุงแก่งอะไรเรื่องราวเลอะเยอะแยะไปหมดให้รู้สึกตรงๆให้ดูความรู้สึกตรงๆรงหให้มีสัมผัะปกติไม่ใช่คนเป็นคนสัมผัสบกพร่องสริสยะเลอะเลือนบกพร่องไม่ใช่เป็นคนสริทยะให้ปกติมีความพร้อมที่จะรู้จักการเกิดดับได้ ถ้าคนใดก็ตามได้ทําตามคุณสมบัติหประการ น, นั้นบางทีปฏิบัติเช้ารู้เย็นบางทีปฏิบัติเย็นรู้เช้าตรงนี้ถ้าเรียกว่าโพธิโพธิราชกุมารสูตรเพราะว่าโพธิราชกุมารนั้นคือเป็นลูกของพระเจ้าเปรเซนทีโ่โกศลที่พ่อท่านตายแล้วท่านก็ไปพาคุณไปปฏิบัติงานภารกิจตามชายแดนมีปัญหาตามชายแดนท่านกลับมา มาผ่านที่ตรงที่พุทธเจ้ากําลังแสดงธรรมที่ประเชตวันท่านเลยไปนั่งแอบฟังอยู่ข้างนอกไม่มีใครรู้อะกองทหารที่กลับมาจากการลบ ก, ก็นั่งแอบฟังคนโค้นังฟังธรรมพอเขาเลิกเสร็จชาวบ้านกลับพวกที่รักคุมาลสูรแอบเข้ามาพบพุทธเจ้าโอ้สิ่งที่ท่านตรัสสอนเนี่ยนะดีมากเลยแต่พวกผมเป็นชาวบ้านน่ะต้องทําหน้าที่ในการลบเรี้ยวบริหารบ้านเมืองนี่ยจะเข้าใจได้ไหม จะเข้าถึงธรรมท่านได้ไหมได้แล้วท่านถจัดโพธิราชกุมารสูตร5อย่างเนี่ยหนึ่งต้องมีศรัทธาที่จะทำสองขยันทาอย่างเรื่อยๆคุณไปไหนก็รู้ตัวเรื่อยๆสามอย่าไปบังคับเวทนาอย่าทำ้ายตัวเองอย่าเบียดเบียนตัวเองสีมีจิตใจตรงไปตรงมาดูอะไรตรงๆอย่าไปคิดเอาดูรู้สึกตรงไปตรงมาถ้าคิดเอามันจิตใจไม่ตรงใจมันคต ห้ามีสติสมญยบกุกไม่บุกร่องสติสมิยบปกติตอนที่หนึ่งจบเพียงแค่นี้ว่าภาคสองอไปก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่จะศึกษาเรียนรู้สจธรรมที่มีอยู่ในตัวเองแล้วแต่ละเวลาให้เห็นแจ้งรู้จริงด้วยกันทุกคนทุกท่านถือ